ก็เกิดปีติที่เป็นนิรามิตเป็นอันได้เจริญปีติสำโพชง 5. เมื่อใจปีติทั้งกายทั้งใจก็ผ่อนคลายสงบเกิดกายปัจจัสธิและจิตตะปัจจัสติเป็นอันได้เจริญปัจจัสติสำโพชง 6. เมื่อกายผ่อนคลายสงบมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ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 สติปัฏฐานสเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโพ่อชงเจ็และสติปัฏฐานสี่นั้นเมื่อได้เจริญทําให้มากแล้วย่อมยังโพ่อชงเจ็ให้บริบูรณ์โพ่อชงเจ็ดเมื่อเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังวิ ช, ชาและมีมตทให้บริบูรณ์นี่ก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานเป็นการสร้างฐานปฏิบัติการให้คณะของโพ่อชง